บท็ีส7บเดบไพบอกกันดิต้องการอยากเย่ดูขาวาอนี่อนุโกโวดมคุณอยากทำอะไรหรือเย็นเช้าเน่าจกุตัวนารูคุณอยากเล่นฟุตบอลไหม มีรูฟุตบอลซาวกร์อาดาลนันคุณตุนนาระคุณอยากไปหาเพื่อนๆนไหมมีเรือแตมัสเนียตุลนี่ควาลนาั่นคุณตุนระต้องการอยากคาวาลิดิฉันไม่อยากมาสายนี่นูอาลสเซียงการานุดิฉันไม่อยากไปที่นั่น เ น, นกกเวลนู้ิฉันต้องการกลับบ้านเนนูยินติกเวลาลดิฉันต้องการอยู่บ้านเนนูยินทล้วนด้าลดิฉันต้องการอยู่คนเดียวเนนูบอกกดินอีอนดุด้ลคุณอยากอยู่ที่นี่ไหม เมคุณอยากทานอาหารที่นี่ไหมกยกระดิ๊นาเลนิมุนดคุณอยากนอนที่นี่ไหมกุกระดินิรปวลนิุดคุณต้องการเดินทางพรุ่งนี้ไหมคะกุเรบลลนิมคุณต้องการอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมคะ มีกูเรีปฎิวาริกูวุ่นด่าเลยนี่วุ่นด่าคุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมคะมีกูเรียเป๋บิลนี้ลินชาเลยนีวุนดคุณอยากไปดิสโก้ไหมมีกูดิสโก้กี่เวลาลยนีวดคุณอยากไปดูหนังไหมมีกูซนิมอ้กกีเวลาลยนีวุนดาคุณอยากไปร้านกาแฟไหม म े र को कैफे के वेल्ला रहने ब ुं द ा